ที่การคมานาคมยังยากลำบากผนทางก็ทุรกันดานใช้เวลาเป็นวันๆนะกว่าจะถึงที่หมายระยะทางสามสีห้ารอยกิโลเมตรก็มีเศรษฐีนะกับขโมยบังเอิญ น, นะเดินทางมาอยู่ในคณะเดียวกัน แล้วก็มีการพักค้างแรมนะเป็นจุดๆหรือว่าคาไหนนอนนั่นมันมีมีโรงเตรมนะมีโรงแรมเล็กๆให้ผู้คนที่สัญจรได้พักระหว่างทางขโมยเนี่ยกับเศรษฐีก็บังเอิญ น, นะมันนอนพักห้องเดียวกัน ขโมยก็เลยรู้ว่าอ๋อคนที่นอนพักห้องเดียวกับเรานี่มันเป็นเศรษฐีนะก็วางแผนนะที่จะขโมยของมีค่าจากเศรษฐีคืนต่อมาก็ได้นอนพักห้องเดียวกันบวนรุ่งขึ้นเนี่ยขโมยอ่ะได้เวลากินข้าวเช้า ขโมยก็บอกกับเศรษฐีว่ า, าคุณลงไปก่อนนะเดีย๋ยวผมขออาบน้ำก่อนแล้วที่จะตามไปพอเศรษฐีออกจากห้องนะขโมยก็ออกมาจากห้องน้ำนะแล้วก็ค้นหากับระเป๋านะค้นย่ามเพื่อจะหาของมีค่าหาเงินหาทองแต่ก็ไม่พบนะคืนต่อมานะก็ ได้มีโอกาสนอนห้องเดียวกันอีกวันรุ่งขึ้นตอนเช้านี่ขโมยนี่ก็คอยสังเกตว่าเสรียรนี่เอาเงินเอาของมีค่าติดตัวไปด้วยหรือเปล่านะขณะที่ลงไปกินข้าวก็เห็นเขาไปตัวเปล่าพอเสรียรีลงนะไปกินข้าว ขโมยในก็ อ, อกจากห้องน้ำนะก็ใช้อุบายเดิมนะว่าลงไปก่อนนะเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อนพอเซจีลงไปก็ออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ค้นหาเพราะแน่ใจว่าเซจีนี่ต้องเก็บของมีค่าไว้นะในห้องนี้แน่นอนพอไม่ได้เอาติดตัวไปก็หาไม่เจอค้นหายังไงไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าใต้เตียง คนยังไทงทุกซอกทุกมุมก็ไม่เจอก็เป็นวิว่อีกอีกวันสองวันนะจนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องแยกจากกันในเช้าวันหนึ่งเนะนี่ยขโมยเนี่ยนะก็สงสัยมากทีเดียวนะว่าเศรษฐีนี่เอาของมีค่าไปซ่อนไว้ที่ไหนอยากรู้จริงๆก็เลยเปิดเผยว่าเนี่ย เ่าเขาเ น, เนี่ยเป็นขโมยแล้วก็คิดนะจะหาคิดจะคนคิดจะเอาเงินนะจากเศรษฐีมาสองสาวันแล้วนะแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จกนะ็อยากจะขอร้องเศรษฐีว่าเอาบุญหน่อยนะไหนๆก็จะแยกจากกันแล้วนะขอถามหน่อยว่าเศรษฐีเนี่ยเอาเงินของมีค่าเนี่ยไปซ่อนไว้ที่ไหน เศรษฐีก็เลยเฉลยว่าเงินแล้วของมีค่าเนี่ยไปซ่อนไว้ใต้หมอนของขโมยเศรษฐีรู้ว่าขโมยต้องค้นของนะค้นกระเป๋าค้นย่ามนะแล้วก็ค้นใต้หมอนใต้ที่นอนของเศรษฐีแต่เศรษฐีมั่นใจว่ามีจุดเดียวนะที่ขโมยจะไม่แตะก็คือใต้หมอนของเขานั่นแหละ ขโมยก็เลยโอ้ก็เลยตาสว่างเลยเศรษทีฉลาดนะเขารู้ว่าสิ่งที่ขโมยเนี่ยมองข้ามก็คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขามากที่สุดก็คือใต้หมอนเขานั่นแหละอันนี้มันเป็นจะเรียกว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ก็ได้นะมนุษย์เราเนี่ยมักจะมองข้ามสิ่งที่ใกล้ตัว และสิ่งที่ใกล้ตัวเราเนี่ยถึงที่สุดแล้วมันไม่ใช่ใต้หมอนใต้เตียงนะมันก็คือใจของเรานั่นแหละใจคือสิ่งที่เรามักจะมองข้ามมากที่สุดสมัยนี้เนี่ยคนเนี่ยรู้เรื่องสิ่งนอกตัวเยอะมากรู้กระทั่งไปถึงระบบสรีระจั ก, กรวาลรู้ไปถึงนะเอกภพเราสามารถที่จะ คำนวณการเกิดสซยูปราคาได้ล่วงหน้าเป็นเรียว่าเป็นสิบปีเลยก็ว่าได้เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่น่าแปลกไหมเราไม่สามารถจะบอกล่วงหน้าได้เลยแม้แต่น้อยว่าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเราจะคิดอะไรนะอย่าว่าแต่หนึ่งนาทีข้างหน้าเลยนะอีกสิบห้าวินาทีข้างหน้าเนี่ยเราจะคิดอะไรหรือถึงแม่เราตั้งใจว่าจะไม่คิดนะภายในสิบวินาทีเนี่ย แต่ลองดูสิไม่ถึงสิบวินาทีมันไปแล้วนะเราบอกไม่ได้เลยนะว่าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเนี่ยเราจะคิดอะไรเราจะรู้สึกอย่างไรทั้งนั้นที่เราสามารถที่จะทํานายสุริยปราคาได้ล่วงหน้าเป็นสิบปีอตอนนี้เนี่ยเขาคนที่ตามล่าสุริยุปราคานี่ก็เตรียมแผนการไปแล้วนะว่าจะไปตามล่าหาสุริยปราคาเนี่ยแต่ละปีแต่ละปีที่ไหนบ้างวางแผนไว้สิบปีล่วงหน้า แต่ใจของตัวเองเนี่ยนะแม้แต่หนึ่งนาทีข้างหน้าก็ยังไม่รู้เลยนะว่ามันจะคิดอะไรแม้จะบังคับให้มันไม่คิดนะแต่มันก็เพ้อคิดจนได้ ใ, ใจเป็นสิ่งที่เรามองข้ามทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดและเพราะการที่เรามองข้ามนี่แหละนะที่มันนำปัญหาต่างๆมาให้แล้วทุกวันนี้เนี่ยเราก็ถกเถียง กันแต่เรื่องไกลตัวพยายามหาเหตุหาผลหาความถูกต้องจากเรื่องที่มันอยู่นอกตัวแต่ว่าเรื่องของตัวเราเองเนี่ยเรากลับไม่รู้แม้ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีเรื่องเล่าว่าสมัยพันสามรอปีที่แล้วเนี่ยประเทศจีนก็มีบุคคลสำคัญคนหนึ่งนะก็คือท่านเวยหลัง ท่านเวลานิดภายหลังก็ได้เป็นสังค ป, ปรินายกของนิกายเซนแต่ว่าในเมืองจีนเ้าเรียกนิกายฉานหรือฉานนะเซนนี่มั น, เ ป, นเป็นคำของภาษา ญ, ญี่ปุ่นนะเซนเนี่ยมนก็มีต้นกําเนิดนะมาจากรธิฉานหรือฉา น, นในในประเทศจีนในบรรดาบุรพาฉานเนี่ยที่มีชื่อเสียงที่สุดเนี่ยในเมืองจีนก็คือท่านเวลานะ เพราะว่าท่านเป็นต้นตําเนิดของการรู้ ร, รมแบบฉับพลันนะท่านรู้ธ ร, รมเนี่ยนะตั้งแต่ยังเป็นคาราวาสทั้งทังที่ไม่รู้หนังสือแต่เพียงแค่ได้ฟังธทมฟังสโลกที่คนสวดให้ได้ยินในขณะที่ออกฟืนไปส่งเจ้าของไปส่งลูกค้าเนี่ยขณะที่ยังหนุ่มอยู่นะสักยี่สิบปีนั่งนั่นก็บรรลุธรรมเลย อตาตมาก็ได้มีโอกาสไปไปเยี่ยมบ้านเกิดของท่านเนี่ยะเมื่อสามปีก่อนตอนนั้นก็ไปกับคุณหมอตุกด้วยไปบ้านเกิดของท่านแล้วก็ไปวัดวัดหนึ่งที่สําคัญอีกวัดนะวัดกวงเซี่ยวนะวัดกวงเซียวนี่อยู่กวางโจนะใครไปกวางโจนี่ก็อดไม่ได้ที่ต้องแวะที่วัดนี้ตอนนี้มีความสําคัญก็เพราะว่าเป็นวัดที่ท่านอุปสมบทนะคือท่านตัดสรตว ธ, ธรรมนะ ก่อนแล้วค่อยๆมาบวชนะมาบวชทีหลังตอนที่บวชเนี่ยเกือบสี่สิบละมีเรื่องราวตอนที่ท่านเดินทางมาถึงวัดกวงเซี่ยวเนี่ยหลังจากรอนแรมมาจากทิศเหนือนะหนีภัยอันตรายมามาถึงวัดกวงเซี่ยวกำลังมีการบรรยายธรรมนะโดยอาจารย์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งคนก็มาฟังกันเยอะนจนกระทั่งลดออกจากศาลา ระหว่างที่กําลังฟังทำนั้นก็มีคนนึงก็สังเกตนะไอ้ธงทิวเนี่ยที่ปักอยู่นะมันพพิ้วอยู่บนบนยอดเสาเขาก็พูดกับเพื่อนว่าเนี่ยธงมันไหวเพื่อนดูแล้วก็บอกเอ้ไม่ใช่ธงไหวลมมันไหวตั้งหากทีแรกก็เถียงกันสองคนนะว่าตกลงเนี่ยธงไหวหรือลมไหวบอกว่าคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็ได้ยินก็มาร่วมวงสนทนา ซึ่งตอนหลังก็กลายเป็นการถกเถียงกันนะกลุ่มก็ใหญ่ขึ้นนะกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยทงไหวอีกกลุ่มก็บอกลมไหวจากการถกเถียงกันเริ่มจะกลายเป็นทะเลาะ ก, กันแล้ะเริ่มมีอารมณ์นะเพราะต่างก็มีเหตุผลกั น, กนทั้งคู่อนะบรรยากาศ ก, ก็เริ่มร้อนแรงไม่มีใครสนใจแล้วว่าอาจารย์นี่ท่านแสดงธรรมในศาลาว่าอย่างไรคนที่อยู่ข้างนอก น, นี่ก็เถียงกัน นะกําลังจะทะเลาะกันแล้วว่าตกลงเนี่ยธงไหวหรือลมไหวจู่ๆท่านเวรหลังก็ตะโกนขึ้นมาใจท่านต่างหากที่ไหวบอกว่าทั้งหมดนี่นะสะดุดเลยนะสะดุดเลยนะเพราะว่าเป็นการเตือนสติอย่างแรงนะท่านเวรหลังกำลังบอกว่าเนี่ยขณะที่ท่านกาลังเถียงกันว่าธงไหวหรือลมไหวเนี่ยท่านไม่รู้หลือว่าใจของท่านเนี่ยกาลังจะ กับเพื่อมไหวนะเพราะความโกรธนอ้ความโกรธความร้อนแรงในใจเนี่ยนะมันเรียกว่ามันท่วมใจเนี่ยไม่สังเกตเหรอนะนะพอได้ยินแค่นี้แหละว่าใจทั้งของท่านต่างหากที่ไหวทั้งหมดนี้ก็หยุดทะเลาะกันเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้ตัวแล้วว่า เ, เรานะเรากำลังลืมตัวไปแล้วนะ ไอ้ขณะที่เถียงกันได้ด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยด้วยด้วยปัญญาที่มีขุดค้นเอาความคิดทางปรัชญามาโต้เถียงกันหาถูกหาผิดไอ้ตอนนั้นเนี่ยหารู้ไม่ว่ากําลังลืมตัวนะนะคนเราความลืมตัวหรือความหลงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเวลาคนที่หลับคนที่เมาหรือคนบ้าหรือว่าคนที่โดนหลมยาสลบนะแม้กระทั่งยังคุยกับรู้เรื่องนะยัยงถกเถียงกันด้วยถ้อยคำํำนะ ทางปรัชญาหรือพิปรัชญาเนี่ยแต่ว่าโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยหลงนะลืมตัวแล้วพอลืมตัวแล้วเนี่ยนะมันก็สามารถจะทะเลาะ ก, กันได้และจากการทะเลาะ ก, กันก็อาจจะกลายเป็นอาการโกรธเกลียดนะชิงชังกันก็ได้เราคงเคยเจอแล้วนะคนที่ทะเลาะ ก, กันนะอาจจะเรื่อง ขี้หมูลาขี้หมาแห้งเรื่องทีมฟุตบอลแมนยูกับลิเวอร์พูลใครเก่งกว่ากันหรืออาจจะเถียงกันเรื่องที่มันหนักซีเรียสหน่อยเรื่องการเมืองทักสินไม่ทักสินอะไรเงี้ยประยุทธ์ไม่ประยุทธ์เนี่ยแม้จะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันก็สามารถจะกลายเป็นศัตรูกันได้ทะเลาะบบกแวงกันจกนกระทั่งลงไม้ลงมือเคยมีนะลงไม้ลงมือก็ถึงตายเลย เพราะทะเลาะกันเรื่องการเมืองนี่แหละไม่ใช่ที่ไหนในเะมืองไทยเนี่ยนะอันนี้เพราะอะไรนะเพราะความลืมตัวนะไอตอนที่ทะเลาะนี่สิ่งที่ทะเลาะนี่เรื่องนอกตัวทั้งนั้นนะเหตุผลข้อมูลเนี่ยต่างก็้องัดเอามาดีๆทั้งนั้นนะแต่ว่าพอลืมตัวแล้วนี่นะมันก็สามารถจะทำร้ายกันได้ คนเราเนี่ยขึ้นชื่อว่าทันทีที่ลืมตัวนะมันทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะที่ภูฐานเนี่ยนะมีมีพระจะเรียกว่าเป็นพระก็ไม่เชิงนะเป็นเป็นนักบวชนะคล้ายๆฤาษีอะนะเขาเรียกว่าสิทธานะในในในพุทธศาสนาวัชรยานเนี่ยนอกจากนักบวชหรือพระ แล้วคาราวาตูบาโสอุบาสิกาแล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งนะเรียกว่าสิทธาหรือว่าฤาษีคนนี้ก็ร่อนเร่ไปเรื่อยๆนะมีท่านหนึ่งที่มีชื่อมากนะทุกวันนี้คนภูฐานก็ยังเคารพนับถือคือท่านยุก ป, ปะกุลเลนะนะเป็นเป็นเป็นคนที่คนพูฐานเคารพมากนะท่านเนี่ยพื้นเพเป็นคนที่เบส นะแล้วก็เกิดในตระกูลดีเมื่อเกิดในตระกูลดีก็ได้เป็นเจ้าวาดวัดที่มีชื่อแล้วก็ใหญ่โตแล้วก็ร่ํารวยนะในการเป็นเจ้าวาดของเจ้าวาดวัดในนิกายวัชรญาณนี่มันก็ขึ้นอยู่กับชาติสกุลนึงนะแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่คิดอะไรนอกกรอบทําอะไรแผลงก็ออกมาจากวัดนั้นแล้วก็บําเพ็ญตน เป็นนักบวชเร่ร่อนนะอยู่คลุกคลีกับชาวบ้านนะแล้วก็ทำตัวแปลกๆกินเหล้าเคล้านาลีนะแต่ว่าเขาว่ากัว่าทำมาท่านลึกซึ้งมากนะอันนี้เป็นเป็นธรรมเนียมของทางทิเบตที่จะมีคนแบบนี้เยอะมีวันหนึ่งก็ท่านก็จาริกไปที่อ่จะเรียกว่าชายป่าแห่งหนึ่งนะ ตรงนั้นมีภูเขาแล้วก็มีถ้ำท่านทุกป่าก็คิดว่าเนี่ยจะลองอาจาจะจะค้างแรมในถ้าเนี่ยก็มีชาวบ้านใกล้คเคียงบอกว่าบริเวณนี้มันมีโจร น, นะไอโจรนี่มันไม่เลือกเลยนะมันปล้นหมดนะไม่ว่าเศรดฐีไม่ว่านักบวชเนี่ยท่านอย่พักที่นี่เลยท่นานทุกป่าบอกงั้นดีเลยนะ นะยิ่งรว่ามีโจรเนี่ยยิ่งชอบนะแล้วท่านก็ค้างแรกอยู่ในถ้ำนะแล้วก็เตรียมการนะแก้เผ็ดนะโจรทำยังไงรู้ไหมท่านก็เอากระเป๋าเนี่ยถุงเนี่ยที่เดิมใส่เงินเนี่ยนะท่านก็เอามารองนะรองอุจจาระของท่านแทนนะเพื่อให้ขี้ใส่ถุงนี่แหละนะนะอัดเข้าไปเต็มที่เลยนะ ขี่เละเหรือเหลวนะแล้วก็ปิดปากถุงเอาไว้แล้ววางไว้ข้างตัวพอตกค่ำเนี่ยนะไอ้โจรมันก็มาตามคาดมันมาเห็นเห็นท่านดุกป่าหลับนะมันก็คิดว่าหวานหมูแล้วแล้วมันก็เอามือเนี่ยเอื้อมไปที่อ่ถุงเงินนั่นน่ะไงแล้วก็เปิดถุงแล้วเอามือล่วงเข้าไป พอมือลงลงไปเนี่ยนะมันเจอไรเละๆเหลวๆก็สงสัยอะไรดึงขึ้นมากิ่นมันก็โชยนะพอโชยก็ตกใจนะมันเต็มมืออ่ะนะเต็มนิ้วเลยนะก็สะบัดนะสะบัดอย่างแรงไอ้มือนิ้วมันก็ไปถูกกับหินพอถูกก้อนหินไปไงเจ็บพอเจ็บก็ทํางานก็เลยยัดใส่มือก็ยัดใส่ปากนะเพื่อจะได้อ่าคนเราเวลาเจ็บเย่นก็ต้องดูดนิ้วใช่ไหม ดูดนิ้วนะก็แปลว่านะได้กินขี้ของท่านลุกปากเต็มที่เลยนะอันนี้เรียกว่ า, านิทานหลวงนิสอนว่าถ้าลืมตัวแล้วนี่ก็ทําอะไรได้ทั้งสิ้นมากระทั่งกินขี้ของคนอื่นนะลืมตัวเนี่ยนะเจ็บเนี่ยทีแรกตกใจนะว่าโอ้ยเนี่ยมือเราเปื้อนขี้รีบสะบัดอย่างแรงเลยสะบัดอย่างไม่มีสตินะพอสะบัดอยังไม่มีสติข้อนี้ด้วยความตกใจเป็นไง มันก็ไปถูกไปหินเพราะดูหินเจ็บพอเจ็บไม่มีไม่มีสตินะก็เอานิ้วเนี่ยยัดใส่ปากเนยะจะดูดนิ้วให้หายปวดนะก็ดูดเอาขี้เข้าไปเต็มที่เลยก็สมเจตนาลงขั้นทุกปะนะมาต้องการสั่งสอนไอ้โจร น, นะแต่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องคุยเล่นๆ น, นะมันเป็นมันให้สาระว่าคนเราเนี่ยนะถ้าหากว่าลืมตัวแล้วเนี่ย นก็สามารถจะทําอะไรได้ทั้งสิ้นนะรื่องตัวเพราะอะไรนะลืมตัวเพราะไม่มีสตินะและความไม่มีสติของคนเราเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่ามันมันเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวนะแต่มันเป็นเรื่องของนิสยัยเลยด้วยซ้ําเลยเพราะเอาคนทั่วไปเนะี่ยที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องของจิตใจตัวเองเนี่ยนะไม่ค่อยหมั่นสังเกตดูจิตดูใจของตัวเองเนี่ย ตรงนี้แหละนะที่มันจะลืมตัวได้ง่ายเพราะว่าอารมณ์ใดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความกลัวนะไม่ว่าจะเป็นความโกรธนะมันก็สามารถจะจู่โจมนะคร่องกับจิตใจได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหมั่นสังเกตดูจิตดูใจของเราอยู่เสมอนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือว่าการมีสตินะที่จะรู้ทันนะจิตใจและอาการต่างๆนะ ภายในเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะและถ้าเรามีสติรักษาใจแล้วนะนการที่การที่เราจะจะเพล่ทาอะไรที่ที่น่าละอายเนี่ยนะมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่จริงการทําสิ่งที่น่าละอายนีย่มันก็ยังถือเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะว่าคนเราถ้าลืมตัวแล้วเนี่ยมันทํายิ่งกว่านั้นก็ได้นะลูกก็อาจจะ ต่อว่าแม่นะต่อว่าพ่อนะเพราะว่าดื้อนะไม่ทําตามคําแนะนําป่วยแล้วนะเป็นมะเร็งปอดแล้วก็ยังสูบบุหรี่ไม่เลิกนะหรือว่าเป็นเบาหวานนี่ก็ยังแอบกินนะข้าวเหนียวทุเรียนนะแอบกินไอติมช็อกโกแลตเนี่ยนะด้วยความปรารถนาดีนะพอเห็นพ่อแม่นี่ไม่ทําตามคำแนะนำก็โกรธนะว่าตอนนั้นเนี่ย ลืมตัวแล้วก็มาเสียใจหรือบางทีก็พ่อแม่ก็ว่าลูกนะหรือว่าทำลายลูกนะเพราะความลืมตัวนะบางทีสอนลูกลูกเถียงนะลูกเถียงก็ห้ามใจไม่อยู่นะเพราะว่าลูกนี่ต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะพอลูกนี่เถียงพ่อแม่นะก็โกรธนะก็อาจจะด่าว่าหรือลงไม้ลงมือ แล้วก็มาเสียใจแต่ว่าคนเราเนี่ยพอลืมตัวแล้วมันทำยิ่งกว่านั้นก็ได้นะอาจจะถึงขั้นทำร้ายาถึงแก่ชีวิตได้แล้วก็ดินข่าวบ่อยๆนะสามีภรรยาทำร้ายกันด้วยความลืมตัวบางทีภรรยาก็ทำร้ายสามีบางทีสามีก็ทำร้ายภรรยาเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า อาจจะเริ่มต้นจากการงอนง้อนะอย่างเมื่อหลายปีก่อนนี่มันมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะอยู่ด้วยกันและตอนหลังก็มีลูกนะมีลูกน้อยนะแต่อยู่กันได้สักปีสองปีนะก็เกิดปากเสียงกันจนกระทั่งผู้หญิงก็ทิ้งไปให้สามนะีอยู่กับลูกน้อย ทีแรกเนี่ยผู้ชายก็คิดว่าเนี่ยตัวเองสำคัญนะแต่พอเมียไม่อยู่แล้วก็รู้เลยว่าโอ้เราอยู่ยากนะถ้าไม่มีเมียแต่ก่อนก็กดขี่เยยดหยามนะพูดจาไม่ดีแต่ตอนนี้พอเมียทิ้งไปแล้วก็รู้สึกว่าอมันอยู่ยากนะต้องเลี้ยงลูกทำยังไงอ่ะก็ต้องไปงอนง้อนะได้ขาวว่าเมียอ่ะไป ไปเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่ปัตตารอยู่ที่ร้านอาหารก็ไปงอนงอนนะไปงอนงอเมียขอให้กลับมาเถอะนะเมียก็ใจแข็งนะใจเด็ดไม่ยอมไปเพราะว่าเข็ดล้ะโดนซ้อมโดนทำอะไรต่ออะไรมาเยอะจนกระทั่งไม่คิดจะไปอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วทำยังไงงอนงอยังไงพูดยังไงนะ นะฝ่ายหญิงก็ไม่ใจอ่อนนะผู้ชายก็เริ่มโกรธนะโกรธแล้วก็เริ่มทะเลาะกันผู้หญิงก็ด่านะผู้ชายด่าผู้หญิงผู้หญิงก็ด่ากลับนะแล้วก็เดินหนีผู้ชายโกรธมากก็บังเอิญนะผู้หญิงเนี่ยเดินเข้าไปในห้องน้ำนะผู้ชายเนี่ยนะซึ่งอุตสาหลงทุนมางอนงอนแล้วไม่สำเร็จ ก็โกรธมากพอพี่ออกจากห้องน้นํานี่ผู้ชายก็ด้วยความโกรธนะก็ถึงกับความมีดมาจ้วงแทงผู้หญิงนะจนตายเลยพอรู้ตั ว, วเกิดอะไรขึ้นโอ้เข่าสุดเลยนะไม่ได้คิดว่ามันจะลงเอยแบบนี้แต่ทําไมถึงทําได้นะเพราะความลืมตัวนะตอนนั้นเนี่ยมันความรู้สึกโกรธนะคิดอยากเอาชนะนะ ที่แรกก็อุตส่าห์มองงอนงอ้อนะหวังว่าฝ่ายหญิงจะใจอ่อนแต่พอฝ่ายหญิงไม่ยอมนะไอความสึกโกรธอยากจะเอาชนะนะอันนี้เป็นธรรมาชาติของอัตตาเนะี่ยพระผู้ชายเนะี่ยมันก็ต้องพยายามต้องการเอาชนะนะเมื่อเอาชนะไม่ได้ด้วยคำพูดที่อ่อนอ่อนหวานนะก็ต้องเอาชนะด้วยกําลังไอความอยากเอาชนะเนี่ยมันก็ทำให้ลืมตัวนะพอลืมตัวแล้วก็ ก็ทําในสิ่งที่คิดว่าได้แก้แค้นสําเร็จนะแต่ว่ามันก็กลายเป็นกลายเป็นความอากลายเป็นโทษมหันต์นะที่ทําให้ต้องติดคุกติดตารางไปใ น, นในชีวิตคนเราเนี่ยนะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเรียนเก่งเรียนสูงแค่ไหนนะไม่ว่าจะร่ํารวยเพียงใด ไม่ว่าจะมีฐานะสูงส่งแค่ไหนเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยนะซึ่งอาจจะเป็นจุดอ่อนของผู้คนนะก็คือความลืมตัวนะเพราะถ้าลืมตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันก็สามารถจะทำสิ่งที่เลวร้ายอย่างที่ไม่คาดคิดได้ก็มีหมอคนหนึ่งนะซึ่งพวกเราก็คงจะเคยได้ยินชื่อนะหมอวิสุทธ์นะบุญเกษมสันติ นะซึ่งเป็นคนที่มีความรู้นะทางด้านการแพทย์นะสูตินารีแพทย์เป็นสูตินารีแพทย์ที่มีชื่อนะแล้วก็เป็นอาจารย์แพทย์ด้วยก็เรียกว่ามีสถานภาพที่ดีในสังคมนะเจ้าตัวเองก็เป็นคนที่จะว่าไปนะก็เป็นคนสูภาพนะมีเพื่อนที่เคยเรียนที่เคยเรียนเคยรู้จักกับ หมอวิสุทธ์นะรวมทั้งเคยบางคนก็เคยเป็นเพื่อนนะด้วยกันก็บอกว่าในหมอวิสุทธ์นี่เป็นคนสุภาพมากแต่ทำไมวันดีคืนดีนะก็ลงเอยด้วยการที่ถูกศาลตัดสินว่ า, ามีความผิดฐานฆ่าเมียต้องโทษประหารชีวิตแต่ดีหน้าที่ทำความดีมาจนกระทั่ง ถูกลดโทษมาเรื่อยๆนะจากโทษประหารชีวิตมาเป็นโทษติดคุกตลอดชีวิตและตอนหลังก็พ้นโทษออกมาหลังจากติดคุกได้แค่1ิบกว่าปีตอนที่หมอพิสุจิ์เนี่ยออกมาจากคุกใหม่ๆเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นิตยสารฉบับหนึ่งก็พูดถึงชีวิตของตัวเองนะว่าในอดีตเนี่ยเป็นยังไงก็บอกวาอ่าเสียดายนะที่แต่ก่อนเนี่ยเอาแต่ทุ่มเทรเรื่องงานการนะ ไม่สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมในหัวเนี่ยมีแต่งานวิจัยงานสอนนะไม่ค่อยสนใจนะเรื่องการฝึ ก, กจิตหรือการคลองสติถึงตอนนี้รู้แล้วว่าสิ่งนี้สำคัญกว่าวิชาความรู้นะถ้าหากว่าย้อนกลับไปเป็นหนุ่มได้นะก็จะให้เวลาการปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะไม่ใช่มารอทานะตอนแก่ ก็ยังดีนะที่มีโอกาสแก่นะเพราะว่าถ้าตามโทษเดิมเนี่ยก็ต้องถูกผานชีวิตไปละอันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจที่ดีมากนะที่ออกมาจากปากของคนซึ่งเรียกว่ามีความรู้นะมีสถานภาพนะแล้วก็มีนิสัยซึ่งไม่ใช่เป็นคนเก่กเมร็กเกเลนะแต่ว่า ก็ยังพลังเพลยังพลังพลาด ห, หรือพลังเผลอได้เพราะความลืมตัวเพราะว่าไม่รู้จักการคลองสตินเรื่องนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะเรื่องการฝึกจิตเรื่องการครองสติการเจริญสติเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้แล้วเนี่ยคนเราก็มีโอกาสที่จะเผลอมีโอกาสที่จะหลุดนะแล้วก็อาจจะ มีโอกาสหลุดได้ไม่มากนะเพราะว่าหลุดครั้งสุดท้ายก็อาจจะเป็นการทําสิ่งที่ตัวเองคาดไม่ถึงก็ได้อาจจะไม่ใช่ไปทําร้ายคนอื่นนะแต่ว่าทําร้ายตัวเองก็มีนะขาดตัวตายหรือว่าลืมตัวนะขับรถจนเกิดอุบัติเหตุหรือลืมตัวนะเดินตกบันไดนะหรือว่าเดินลื่นในห้องน้านะเพราะว่าไม่มีสตินะ ไอ้พะนี้ เ, เกิดจากความลืมตัวมันสามารถที่จะทำให้เกิดนะผลร้ายนะกับตัวเราเองหรือคนที่เรารักได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปรารถนาชีวิตที่ผาสุกนะชีวิตที่เจริญเนี่ยการฝึกจิตการครองสติสำคัญมากนะขนาดหมอวิสุทธิยังพูดเลย ว, ว่าเนี่ยสิ่งนี้สำคัญกว่าวิชาความรู้นะซึ่งก็คงจะรวมถึงสำคัญกว่าหน้าที่การงานหรือ สถานภาพทางสังคมด้วยนะเพราะว่าถึงแม้จะมีสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าลืมตัววู่วามไอ้ที่มีก็สูญไปได้บัดดลก็ได้นะคำนิยม ก, กับตอนนี้นะอากคระ